อีกสูตรหนึ่งนะท่านยกตัวอย่างมาจากกาละสูตรกาละนะกอไก่ซาอาลอลิงอะกาละสูตรอังคุตรานิกายจตุกานิบาตเล่มเดียวกันนี่แหละหน้า3า4ว่าดูกอนพิสูน์ทั้งหลายธรรมะสี่เหล่านี้อันพิสุอ บ, บรมโดยชอบหมุนเวียนไปโดยชอบตลอดการตามการย่อมให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับธรรมะสี่ประการคือฟังธรรมตามการานะ หน้าเท่าไรนะเมื่อกี้บอกหน้าเท่าไรสร้อยหกสิบสี่นะคือธรรมะสี่ประการเนี่ยนะกาละสี่ประการเนี่ยอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบย่อมยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับกาละสี่คืออะไรบ้างหนึ่งฟังทำตามการสองสนทนาธรรมตามการสามทำสมถะตามการสี่ทำวิปัสนาตามการ นี่แลกาละสีบุคคลบำเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบย่อมยังบุคคลนั้นให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับเห็นนะันสำคัญมากเลยนะสี่ประการเนี่ยหนึ่งฟังทำตามการสองสนทนาทำตามการสสมถะตามการสี่วิปัสนาตามการ พิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาะตกบนภูเขาน้ําไหลไปตามที่ลุ่มยังซอกเขาและลํารางทางน้ําให้เต็มซอกเขาและลํารางทางน้ําเต็มแล้วย่อมย่างหนองให้เต็มหนองที่เต็มแล้วย่อมย่างบึงให้เต็มบึงที่เต็มแล้วย่อมยังคลองให้เต็ม <c oughs>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 เราทั้งหลายเพิ่งทําอยู่ไม่นานถ้าทําอยู่อย่างนี้สักครึ่งค่อนชีวิตนะนบักผลจะไปไหนเสียเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่หลายท่านก็บ่นว่าขวานเกือบบินซะแล้วมันก็นี่แหละมันก็หาเรื่องท้ออีกจนได้นะ น, นะยหาเหตุจนจะเลิกอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะหาเหตุว่ายังไงก็เลิกไม่ได้หรอกชีวิตนี้ขอถวายแด่พ ร, รนนะพระรัตนตรัยเนี่ยนะขอถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระธรรมถวายแก่พระสงฆ์จะเลิกอย่างอื่นนี่พอเลิกได้แต่เลิก นับถือพระรัตนตรายเลิกคิดถึงพระรัตนพระรัตนตรายเลิกคิดถึงรรมคงทําไม่ได้หรอกเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เราเป็นอย่างนั้นก็ใกล้ความเป็นทัศน์ดาบันเข้ามาทุกทีแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้กี่กิโลอีกเนอะกี่กิโลหม่อยพี่เพียงกิโลแมวแหมพูดซะตกทออีกจนได้หาเรือ่องกันตัวเองพออีกนั่นแหละ น, นะ ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วบอกกิโลแมวกับกิโลคอมเมนตนี่เหมือนกันเลยก็บอกไปกินข้าวเช้าทันเนี่ยนะมาว่าออกแต่เช้ามืดเนี่ยหัวค่ำเนี่ยยังไม่ถึงเลยอ่ะคือตัวนั่นนะกินข้าวเช้าทันไม่รู้มันแปลว่าอะไรอาจจะ ก, กินไปกินข้าวเช้าพรุ่งนี้ทันน่นนะ มันก็บอกว่าชาวป่าเนี่ยไปถามบางทีเรื่องว่ามันอีกไกลเท่าไหร่นี่ไอ้ไม่ไกลเขาเนี่นะอย่าไปคิดว่ามันใกลนะ้นะนะกลับมาทบทวนว่าอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมนี่สำคัญมากทีนี้สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่เราฟังไว้ดีๆเนี่ยนะที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจดีเนี่ยนะจำได้จำได้ว่ายังไรเนี่ยนะ สมมตินะทุกคนเนี่ยจาได้ใช่ไหมชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวทุกโ ท, โทโมณสุปายาสาปิทุกขาปีเยหิเป็นต้นจําได้กันหมดเลยจําได้ไหมจําได้ทีนี้เห็นใครเดินมาเราจําได้อย่างนั้นไหมจําอย่างนั้นหรือเปล่าเอาสมมุตินะเออเอาแบบว่าเรารู้ละชาติปิทุกขาชราปิทุกขาขันทรารยจตนาเนี่ยเห็นคุณวิลาวันมาแล้วเป็นอย่างนั้นไหม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 มีไหมนึกถึงเพืเพ่อนเออนั่นแหละชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุก ข, ขังเป็นต้นเ น, นี่ยนะนึกถึงอะไรก็ช่างแต่ที่เรานึกถึงอารมณ์ที่เรานึกทุกอารมณ์เลยนะชาติพิทุกขาหมดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหมอก็ไม่ค่อยยากใช่ไหมนึกถึงคนไข้คนไหนก็ชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุก ข, ขังเนี่ยนะตอนนั้นก็ท่านนี้ก็ไม่แน่นะหมออาจจะไปดีก่อนเราก็ได้เนี่ยนะการนึกถึงอริยสัจได้บ่อยเลยใช่ไหมก็สําคัญที่สุดว่าเราจะนึกได้บ่อยหรือไม่แค่นั้นเอง แต่ที่สําคัญจริงๆเลยนะคิดจะนึกบ้างหรือเปล่าอ่านะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอยากถามจริงๆว่าคิดจะน้อมไปเพื่อจะนึกอย่างนี้ไหมปานาเห็นผู้การนึกอย่างนี้เลยไหมหรือไม่กล้ากล้านึกเดี๋ยวจะเหมือนแช่งแช่งญาติเนี่ยนะไม่ใช่นะไม่ได้แช่งแต่สัจจะจริงๆเป็นเช่นนั้นใช่ไหมผู้การก็ชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังสโสกกาปริเทวทุกขโทมณสุปายาสาพิทุกขาอยู่แล้วละ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 แล้วก็ลืมต่ออันนี้น่มันก็ไม่คู่ควรแ ล, ล้วจะบรรลุเนี่ยนะจันนี้ก็กลับไปก็ไปทำงานบ้านอันนี้เยอะๆหน่อยนะ <S <S นึกถึงนักเรียนเมื่อไหร่ก็ชาตินึกถึงชาติ ช, าตชราพรยาธิมรณะอีกแล้วเนาะเนี่ยนะหรือไม่ก็คิดแบบนี้ก็ได้ถ้าใครสาธยายอาธิธตตปริ ย, ยาสูตรได้ใช่ไหมจักขคู่ของเราเนี่ยนะเอาไล่เป็นภายในก่อนไหมจักขคู่ของเราเนี่ยเป็นของร้อนสีผิวของเราสีทั้งหมดในร่างกายเราก็เป็นของร้อน จิตเห็นของเราก็เป็นของรอ้อนจนะสมอย่างประชุมกันก็เป็นของร้อนพระเวทนาก็เป็นของร้อนไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์ทุกขม์มสุขเวทนาก็เป็นของร้อนทุกอย่างร้อนเพราะไฟคือราคะถ้ามันดีเราก็ชอบถ้ามันไม่ดีไฟคือโทสะก่อเผาไม่พิจารณาไฟคือโมหะก่อเผาะนะแล้วก็ขันอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามารณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาท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 ถามว่าเพียงพอไหมถ้าจะบรรลุมรรคผลเนี่ยถ้าเอามาเอามาคิดอย่างนี้จริงๆเลยนะเพียงพอไหมที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสําคัญก็คือมันไม่คิดจะคิดน่ยสิเนี่ยใ น, น, นมันยากมากไม่รู้พระจะไปจับใจตรงไหนไม่รู้ให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิขึ้นในตรงนี้ยากมากๆเลยนะนะผู้การตั้งหรือยังผมฟังเพลงยังเป็นอริยสัจเลยครับ บ่อยไหมขับรถครับคืนที่จริงถ้าน้อมไปตรึกมากๆนะเช่นโดยเฉพาะเอาเอาคนที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะเอามาคิดอย่างนี้กับทุกคนไม่เลือกแม้กระทั่งบุตรภรยาบิดามารดาญาติมิตรทุกคนเนี่ยมาสาธยายใคร้ครวรตามนี้หมด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 เนี่ยจําได้ชาติชราพยาที่มรณะขันท่านนะคิดอย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเดินก็ตรึกอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสี่วันคืนให้เป็นไปด้วยการคิดอย่างนี้เนี่ยนะพอไหมที่จะเบื่อหน่ายเ่ย น, นะหมผู้ ก, การว่าพอไหมขนาดไหนครับก็เว้นแต่หลับ ก็บอกว่าคนอายุมากนอนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมก็ฉะนั้นเอาแค่เว้นแต่หลับก็พอถ้าตึกมากๆน่าจะน่าจะพังก็ทีมันเลเอาพาังเลยนะ เ, น เ, นเนรื่องเรื่องทัานตึกนี่นะครับถ้ า, ถ, าถ้าเราคิดดูนะถ้าเราตึกอกุศลนะมันยังมีผลอนะ่ะไม่เชื่อท่านลองไปตึกดูก็ได้ถ้าโกรธใครนะถ้าต้องตึกบ่อยๆนะ โกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่แกโกรธในน้อยนิดตึกเป็นนานๆอุย้ยมันน่าจะโกรธมากเดี๋ยวระเบิดแน่เลยนะเพราฉนั้นถ้าหากว่าความคิดมีอิทธิพลอย่างนี้นี่นะครับถ้าเรามาตรงกันข้ามมาตึกกวาดกุศลบ้างนะมันก็ต้องมีผลครับเกิดสําคัญนะกองมาอยากให้ไปลองคิดอย่างนี้เนี่ยนะสักอาทิตย์หนึ่งครับถ้าไม่มีอะไรเลยนะให้มาด่าได้เลยะแต่บาปของใครก็ของใครนะ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 อย่างโลกานีนโรธศูตรเนี่ยนะเมื่อไรเราจะพิจารณาเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างก็พอได้แล้วอธิตตะปริยัจศูตร์เนี่ยจำอยู่ศูนย์เดียวนี่แหละก็นะพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกอดีตอนาคตและปัจจุบันแค่นี้ก็คิดว่าพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะแต่ในแต่ว่าที่มันยากก็คือมันไม่ยอมทําแล้วก็ทําไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ อย่างที่กล่าวทวนย้ํำอีกครั้งว่าไม่คิดจะทํำนี่สิอันนี้ยอดคือผมสงสัยเหมือนกันฮะว่าเออความจริงเราก็น่าจะทําทําไมเราไม่ตึกเคยถามตัวเองนะฮะพอไล่ไล่ลงไปแล้วนะครับมันมันหนีไม่พ้นว่าเราไล่ลงไปแล้วมันลงไปถึงพื้นฐานจนได้ครับคือว่าบางทีศีลเราก็ยังไม่ไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าทางด้านมโนสุจริตแต่แก่จิตสิก ข, ขานี่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นพื้นเพราะที่จะลองรับอันนี้นะ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 เป็นตะบะหมายคือว่าเป็นเดชเป็นสิ่งที่มีบ่อยมีมากมีจนชํานาญทางทางจิตจริงๆอนะนะจนเขาเรียกว่าเอาระดับจิตตะคืหบดีก็ได้จิตตคืระหบดีก่อนจะตายเท mm hmm. วดามาขอร้องบอกท่านจิตตะคืหบดีท่านเป็นผู้ที่มีสัพพาเป็นต้นเนี่ยนะท่านประตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นจกักรพัฒสมบัติเถิดท่านฟังแล้วบอกว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงนะท่านว่าเลยแม้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงนะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเจริญได้เป็นอย่างดีใช่ไหถ้าใครบอกว่านั่นดอกไม้ดอกไม้กับของร้อนเนี่ยนะก็ก็จิตก็จะได้ไม่เกาะเกี่ยวใช่ไหมเมื่อจิตไม่เกาะเกี่ยวได้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในยะหัวข้อที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะถ้าเรียนถ้าทำไปทุกสู่ทุกสู่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์อันเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นกลุ่มอคติตรุ่นแรกๆเช่นกลุ่ม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 อัธยาศัยแห่งโมหะก็ชำนาญเต็มที่เมื่อไหร่จะเพาะอัธยาศัยอย่างนี้เอาไว้ในจิตสันดานของตนบ้างนะนะอัธยาศัยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรอัธยาศัยเป็นนิสรณัธยาศัยเนี่ยนะควรเพราะเนี่ยนะเป็นนิสรณััธยาศัยเป็นอัธยาศัยเพื่อความพ้นทุกข์ ในบรรดาอัธยาศัยหประการนะนะอัธยาศัย6ประการก็คืออะโลภัธยาสัยอะโทสัตยาสัยอะโมหัตยาสัยเนคขมัตยาสัยวิเวกัตยาศัยและนิสรณัตยาศัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆกําจัดราคะโทสะและโมหะอันนี้ก็เป็นนิสอัธยาสัยที่ดีสข้อก่อนใช่ไหมคนที่ตรึกอย่างนี้บ่อยๆก็แสดงว่าต้องการวิเวกอันนั้นก็เป็นวิเวกัทยาสัยนี่เป็นกุศลเนคขมะก็เป็น เนคคำมัทธยาศัยถ้าสลัดออกได้อย่างแท้จริงก็เป็นนิสรณัทธย า, ายัยอัธยาัยแบบนี้ควรสมาทานควรอธิษฐานควรทำให้มีขึ้นเนี่ยนะกระวบภาษาเหนือว่าเอ็นดูจิตของเราบ้างเถอะให้มีอัทยาัสายอย่างนี้บ้างอีสานค่ว่าอะไรนะเหลือตนนะเหลือตนหน่อยเถอะว่างั้นนะครุณานั่นแหละเพราะอยู่ในบรรยากาศนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะครับ มันเป็นอีกโลกหนึ่งอะเนี่ยเวลานเนี่ยแล้วพอกลับไปอยู่กับกิจการงานมันอีกโลกหนึ่ง่ยนะฮะอย่างอย่างคุณอย่างคุณอ้วนเนี่ยกลับไปเนี่ยอ้าวโลกเรื่องธุรกิจโอ้อประการไพล่คุณหลานนี่โอ้ธุรกิจกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหนยมันมันอีกโลกหนึ่งเลยนะแต่ถ้าถ้าท่านเหล่านี้สามารถที่จะ ป, ปฏิบัติได้บ้างนะโอ้คอนนับว่า น่าว่าเก่งมากเก่งมากเขามาทําเนี่หน้าที่บุญประเภทแทมมาเทศนามไม่นี่แหละมาจะไม่คิดเลยเถิดว่าใครจะไปทําหรือไม่ทําก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็จะไปด้วยกรรมของเราเนี่ยนะถ้าเราไปคิดแทนเขามากแล้วเราจะป่วยเอาก็ทักเหยนใจตัวเองมากขึ้นแล้วล่ะแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเนี่ยนะเ น, <c oughs> นี่มาขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะ มงคลข้อที่27เป็นต้นขันติจะโสวะจัตสตาจะสมนานจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัดช้าเอตมังคลมุตตะมังเนี่ยนะมาขึ้นขันติขันติก็คือความอดทนอดทนหมายถึงอธิวาสนาขันติทนด้วยความไม่ไม่โกรธเนี่ยนะที่ภิกษุประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติ หมายความว่าได้รับอารมณ์อะไรก็ไม่แสดงอาการที่ผิดปกติเหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอักโกสวตถุสิบอกโกสวตถุสิบเนี่ยนะคนไทยก็ก็ด่าประเภทสัตว์4เท้าบ้างสัตว์สองเท้าบ้างสัตว์ที่เอาหัวเอาหัวลงอะนะไม่ใช่เอาหัวขึ้นทั้งหลายบ้างเลยนะคำประเภทนี้แหละเรียกว่าอกโกสวตถุด่าเป็นแพะแกะไก่เนื้อหมูหมาสุกรตัวเงินตัวทองเป็นต้นเนี่ยนะคำด่าประเภทนี้แหละเรียกว่าอกโกสวัตถุ วัตถุที่เขาไว้ด่ากันน่ะนะแล้วก็พันก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินนั้นคนที่อดทนก็คือไม่สนใจในเสียงอันนั้นเลยนะและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด้วยการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้นอัน้นก็ก็เหมือนไม่เห็นเหมือนไม่ได้ยินอ่ะนะไม่ไม่บอดก็ทำเหมือนบอดไม่นวก็ทำเหมือนนวกเพราะว่าไม่ไปสนใจในสิ่งนั้น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 ขันติวาทีดาบทเนี่ยนะมั้นขันติวาทีดาบทก็เป็นดาบทที่มีขันติอย่างแท้จริงถึงเขาตัดหูก็ไม่โกรธตัดจมูกก็ไม่โกรธตัดแขนตัดขาก็ไม่โกรธเอาขากระทุ่งที่หน้าอกก็ยังไม่โกรธ น, นะนะรักพระเจ้ากระลาปุดุจตนเนี่ยนะก็มีมีขันติขนาดนั้นซึ่งเราทั้งหลายเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยนะเราก็โกรธแล้ว ตัวีต่อไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็ย่อมใส่ใจว่าเขาทําดีแล้วเพราะไม่มีความผิดยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับที่พระองคอ์เหมือนกับท่านพระปุณณเถระเนี่ยนะท่านตอบปัญหาที่พระองค์ถามว่าที่บอกว่าถ้าหากว่าชาวสุนาปรันตะเข้าด่านนี่จะทํำยังไงพระองค์พระพระปุณณเถระก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาปรันตะ จักด่าจักบริพาทฆ่าพระองค์สใยในข้อนั้นฆ่าพระองค์ก็จักายใจว่าผู้คนชาวสุนาปรันตตะเหล่านี้เป็นผู้เจริญหนอผู้คนชาวสุนาปรันตะผู้เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เจริญดีหนอผู้คนเหล่านั้นไม่ตีฆ่าพระองค์ด้วยมือโอ้ที่เขาด่าเนี่ยดีจริงๆอู้สาธุ่จมเริญมากที่เขาไม่ตีอา้าวถ้าเขาตีล่ะอู้สาธุดีมากจมเริญมากนะที่เขาไม่ตัด ที่เขาตัดเอกก็ดีแล้วที่เขาเมฆฆ่าเอาที่เขาฆ่าเออนักบวชทั้งหลายเขาก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่อะไรหรอกเขาฆ่าซะได้ก็ดีนีนะก็ดีหมดนะนะก็ถ้าลักษณะนี้ก็ขันติได้ตลอดกาล น, นะนะคือถ้าในมัชฌิมนิกายท่านเรียกว่าสุนาปรันตะท่านในตรงนี้สุนาปรันตะเนี่ยนะขอมาชอบสุนาปรันตะมากกว่าปรันตะ <c oughs> เดี๋ยวว่าพระอ่านหนังสือไม่ถูกอีกลําบาก และพิสูจนประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้แม้แต่ฤาษีทั้งหลายพึงสรรเสริญฤาษีในที่นี้หมายถึงพระอริยะคือพระอริยะท่านสรรเสริญคําว่าฤาษีอิสิเนี่ยผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะเพราะผู้แสวงหาคุณใหญ่ในที่นี้หมายถึงพระอริยะอิสิเนี่ยมาจากฤาษีฤาษีก็หมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่ศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมีมุติคุณมีมุติญ า, าณทัศนะเป็นต้น ท่านพระอริยะหรือฤาษีทั้งหลายเหล่านี้ท่านสันเสริญว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการใดๆฤาษีทั้งหลายย่อมสันเสริญการละความลบลู่คนเนี่ยควรอดทนคําหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวแล้วสัตว์บุรุษทั้งหลายสันเสริญขันตินั้นว่าสูงสุดเนี่ยนะความอดทนนี่ชั้นเยี่ยม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 อัน้นคนที่ให้ทานระยะยาวๆนี่จะรู้ว่าไม่ใช่ของง่ายใช่ไหมผ้การให้ทานนี่ไม่ง่ายเลยนะมันยากจริงถ้าเอายาวๆหน่อยนะศีลห้าเนี่ยนะหรืออุโบสถเนี่ยถ้ารักษาแค่วันสองวันมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่อย่างอุโบสถถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ดูเริ่มตัง้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจะเริ่มและจะเริ่มที่เรียกว่าต้นตะบะแตกจนได้นะั่นแหละ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 ขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งอันน่ะสําคัญมากเลยนะความอดทนเพราะน้ําอดน้ําทนนี่สําคัญที่สุดเลยนะขันตินี้ศาสนาเราให้ความสําคัญแต่องค์ธรรมของขันติก็คืออะโทสะหรือเมตตานั่นเองนะเมตตาถ้าเราโกรธเนี่ยเมตตาตัวเองไหมไม่ถ้าเราโกรธ เ, เ, เ, เท่าไหรนะ่นั้นหน้าของเราเป็นยังไงยิ้มดีไหมเวลาโกรธนะให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสกภาพหนึ่งนะ